ตดกันบ้านก่อนดีกค่ะกันบ้านหลวงพ่อให้ไปดูที่เฉยๆพอเห็นเฉยๆมันก็มีความสุขมันก็มันก็เฉยน้อยลงอะค่ะแต่ยังมีความสุขให้รู้ทันนะมันพอใจด้วยนั่นแหละให้รู้ทันที่พอใจอ่ะตัวสําคัญเลยเวลาที่จิตจะไปติดอันแดอหนึ่งเนี่ยจิตจะไปพอใจเนสิ่งนั้น แล้วก็เลยไปนอนอยู่ที่นั้นชอบยิ่งเอามันละเอียดเข้าไปนะมันเป็นความว่าง้อจิตมันไปนเข้าคู่กับความว่างมันพอใจความว่างจิตที่มันไปนเข้าคู่กับความว่างตัวนี้ครูบาาจารย์นั่นเรียกว่าจิตอวิชชาถ้ารู้ทันนะมันจะไม่เปดือดซึบเสือเส่อมอยู่มีนเป็นพอใจที่อยู่กับตัวเองไม่ยุ่งกับใคร มันรู้อยู่ที่ตัวเองรู้อยู่ที่รู้รู้อยู่ที่ตัวเองมันพออกพอใจอยู่ไม่เห็นว่าตัวจิตหรือตัวเองนั้นเป็นทุกข์จิตเปล่าไปดูดูแต่ไม่ใช่เขาออ้าคู่กับเาว่างข้างนอกนะมันดูเข้ามาจนถึงจิตแล้วแล้วก็เห็นในตัวจิตเองนะว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วมันก็พอใจตัวนี้ถึงจะเป็นจิตอวิชชา แต่ถ้าจิตไปเข้าคู่กับความว่างข้างนอกของมันไม่ใช่มันเป็นสมาธิเป็นอรูปฌานรูปฌานมันไปรู้ความไม่มีอะไรไปรู้ความว่างๆความไม่มีอะไรนือนือ็ติดสมถะดีขึ้นเนอะเลยใจค่อยทวนเข้ามารู้สึกถึงฐานนั้นรู้สึกไหม ในเวลาที่หลวงพ่อบอกไม่ถึงสานไม่ถึงสานคือมันมาไม่ถึงเนี่ยไปอยู่นอกๆ น, นี่ถ้ามันไปอยู่นอกๆแล้วเราไม่เห็นเราพอใจเราเพลิดเพลิอนอยู่นอกๆนั้ น, นแล้วก็ติดอยู่ที่นั้นถ้าเรารู้ทันว่าจิตเราออกนอกหรือจิตเราเป็นโมจจะไปดูความว่างแล้วก็ไม่ยอมดูตัวเองว่ายินดีพอใจตัวนั้นจะติดถ้าถ้ารู้ทันความพอใจไม่ติด ถึงตัวตอื่นๆก็เหมือนกันเวลาที่เราจะไปติดอะไรก็คือเราไปพอใจนะั้นนะนราไปติดอติดใจอยู่บางคนโกรธไม่ชอบความโกรธนะนะทางสักใหญ่เลยอย่างเวลาที่เราผลักอะไรในชะ่ไหมมือเราต้องไปถูกกันนั้นใช่ไหมได้ยินผลักไมโครโฟนนะี่มือต้องถูกไมโครโฟนอะ่ะเราไปักโทรศัพท์ติดกันอยู่ยนะีนะ้แหละดีด แล้วที่เฉยๆนี่เหมือนเฉยนี่คือว่างหรือเปล่าคะอ่าไิดอยู่ในความว่างแต่ไม่ใช่ว่างที่ตัวจิตนะมันว่างอยู่ข้างนอกคือจิตมันแยกออกมาความว่างมันอยู่ น, น่นแทนที่มันจะรู้ทันจิตว่ายินดีไม่รู้ทันไป ร, รู้ที่ว่างรู้ความไม่มีอะไรสบายอยู่นั้นล้วติดไปนานๆตายไปไปเป็นพระกลมนะ มันไมงค่้วกังเสิงการรู้เท่าไหร่ครับอมันไม่คอนเสิงกับการรู้เท่าไหร่เหมือนหลงหลนะครับแล้วก็มันกระเทือนนยกระเทือนตรงที่มันหลงหลูรู้ว่าหลงนั่นละดูแล้วคือถ้าเรารู้สภาวะได้ก็ใช่ได้มันตรงดีนะไม่ใช่ไม่ดีครับมันไม่ค่อยกังเสิงการรู้แนะครับมันจริงจริมันรู้แต่แตะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางต้าเห็นางั้น ไม่รู้เราไปจับไว้ไม่ได <c oughs> ้ก่อนหน้านี้นะนม้วนเข้าไปข้างในนะนะไม่มว้วนหรอกนะไม่ใช่มา้า้ําไม่มว้วน <c oughs> ก่อนหน้านี้นะคะหนูล้มกระดานหมดเลยคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าถูกรบกวนจากการปฏิบัติทำให้ปฏิบัติไม่ได้มันจะมีคลื่นแสกเข้ามาทำให้มึนแล้วก็ซึมแล้วก็ ง่วงหาวไม่หยุดเจ้าค่ะแล้วก็ตัวรู้ก็จะหายไปเป็นช่วงช่วงหายนานนะคะตอนนี้ถ้าถ้าคือบางครั้งก็หาจิตไม่เจอเลยนะคะคือพยายามจะดูจิตรักษาจิตก็ไม่เจอมันมืดมัวไปหมดอะแล้วมันเป็นอยู่นานเจ้าค่ะตอนนี้ถ้าทางกายะมันจะมาทำให้ปวดนะคะมันจะปวดถ้าสมมติว่าปวดแขนนะคะก็ดูเอามือประกบที่แขนจิตมันนิ่งใช่ไหมเจ้คะมันจะวิ่งไปที่ปวดที่เอวหนูก็เอามือประกบ แล้วมันก็ไปที่เขามันก็เหมือนมีตัวธาตุลมวิ่งอยู่ในตัวนะเจ้าค่ะทั้งกายทั้งจิตหนูโดนโจมตีมาหลายปีแล้วเจ้าค่ะอตอนนี้เพิ่งมาตื่นไม่ได้ฟังซีดี่างหลวงพ่อเมื่อต้นตีนะเจ้าค่ะแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังกลับไปอยู่ในสภาพเดิมที่เคยปฏิบัติไม่ได้แต่ว่ามันยังกังรู้ทันแล้วก็แก้ได้ถ้ารู้ทันแก้ได้ตอนที่ยังจิตไม่หายนะฮะ หนูก็จะสะบัดจนบรรดุลนะอตอนนี้หนูจะมากราบขออุบายจากหลวงพ่อให้ผ่านด่านนี้นะคะด่านนี้หนูติดนานแล้วก็หนักมากค่ะอย่าไปสนใจมันยิ่งเราสนใจนะยิ่งคอยสังเกตยิ่งสังเกตยิ่งเข้าไปจับง่ายไม่สนใจมันเราสนใจรู้ทันจิตใจของเราเป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆมันเป็นปัจจุบันที่มือเินซื้อไม่มนั่นมันบังคับตัวเองไม่ใช่ มันมันมึนบางทีมันเหมือนแสงเลเซอร์นะคะจี๊ดพุ่งมาแล้วหนูก็จะเริ่มมึนนะคะเนี่ยให้ดูที่ใจเราใจเราไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบเนียหรือใจเรารู้สึกว่ามีสิ่งแปลกลอมเข้ามาแล้วใจเราเอ๊ะมันอะไรนะอะไรอ่าเงี้ยอ๋อมันไม่ใช่เอ๊นะนะมันมันจะเริ่มงงหัวไม่ขึ้นละค่ะแล้วลหงงหัวไม่ขึ้นก็อยากจะปฏิเสธมันจนตัวรู้มันหายไปนานหลายปีนะเจ้าค่ะ คืออย่าไปหวงตัวรู้นะเราภานาจริงๆเราไม่เอาอะไรเราเอามีสติน ะ, ะรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตใจของเราในปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เอาดีหรอกไม่ได้เอาตัวรู้หรอกค่ะึ้นคือคื อ, คอมันมีผลทางกายด้วยนะมันทําให้ปวดมึนแล้วมันจะมึอนอยนะู่ตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นมันจะหลับตลอดนะเจ้าคะแต่ก่อนนี่ไม่ทันก็ปอหัวตุนๆก็ตุนๆล้มลม้ลมล้มลงไปนะค่ะก็นอนมากค่ะ แต่ที่แก้อยู่ตอนนี้มันใช้ได้อยู่ะนะจิตมันหลุดออกมาแล้วเราก็รู้สึกอย่างนี้ไปก่อนได้แต่ต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้เหมือนนั่งแก้อาการเราจะเรียนรู้ลงไปเลยว่าทาไมเราถึงแก้อาการที่เราไปแก้อาการเนี่ยเพราะเรารักตัวเองเรารักกายเรารักใจเนี่ยเราถึงต้องนั่งแก้ตัวที่เราไปรัก กายรักใจรักตัวเองเพราะาเราไม่เห็นว่ากายกับใจนี้จริงๆแล้วมันเป็นตัวทุกค่ะ <Okay. S 2> เราพยายามต่อสู้พยายามรักษามันเพราะเราหวงแหนเราคิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษการที่เราไม่เห็นว่าจริงๆแล้วกายกับใจเป็นตัวทุบตัวนี้แหละคืออวิชชาละ <Okay. S 2> ถ้าเมื่อไหร่เรารู้กายรู้ใจมากๆเราเห็นวนะ่าทั้งกายทั้งใจมีแต่ตัวทุบร้วนๆมันจะสลัดขืนใจคืนใจให้โลกไป พอจิตของเราไม่ได้ยึดที่กายจิตเราไมไ่ยึดที่ใจนะสิ่งแปลกปลอมที่ผ่านมันจะทะลุหายไปเลยอันนี้มันคล้ายๆว่าเราไปตั้งอะไรขึ้นมาหนึ่งมันถึงมีสิ่งมากระทบได้แต่ถ้าไม่มีตัวตั้งเนื้อคือตัวตั้งนี้ก็คือความยึดในใกายในใจถ้าไม่มีความยึดตัวนี้เจะไม่มีอะไรกระทบได้อีกเลยหนูเป็นคนเจ็ดทีบแล้วหนูเข้าไปอยู่ป่ามาสิบปีแล้วคะ่ะมันถึงค่อยๆซึมซึมไปเรื่อยๆเลคะแล้วที่หนูยึด ให้มันร <who le> <the> well ู be, <that> ้สึกตัวเพราะว่ามันปฏิบัติไม่ได้เลยค่อยๆปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ก็ไม่รู้จะอยู่ทําไมแล้ว哈ถ้าปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าหนูหนูหยุดจากงานมาตั้งสิบกว่าปีแล้วเพื่อที่จะปฏิบัตินะคะเนี่ยฝึกไปอย่างที่ทําอยู่ช่วงเนี้ยใช้ได้แล้วใช้ได้คิดดีขึ้นมาแล้วมันยังมึนอยู่เรื่อยนะคะนี่ก็มึนน่ะไม่ชอบมันมึนแล้วทําให้หนูคิดอะไรไม่ออกบางทีมันแบงค์ไปช่วงๆเลยกันแบงค์ไม่เป็นไรจริงๆแล้วบางทีทําสมาธิบางอย่างนะ แต่มันจะแบงค์เป็นช่วงๆเหมืนี้ถึงไม่มีสิ่งภายนอกเข้ามาก็แบงค์่างทีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะริเสะติอยู่มันจะแบงค์เพียงวบเดียวนะจิตขึ้นไปรู้อารมณ์แล้วก็ขาดรับขึ้นอีกขาดรับอีกมันจะไม่ใช่แบงค์ว่าหายไปยาวเลยถ้าแบงค์ว่าหายไปยาวเนี่ยส่วนมากเกิดจากการเพ่งการที่เราติดเราฝึกการเพ่งมานานเพ่งบางทีเพ่งจนสมองชาไปเลยนะคิดอะไรไม่เป็นแล้วซึ้บบื้อไปเรื่อยๆ อันนั้นเป็นเรื่องของสมาธิที่หนูผิดนี้เพราะว่าหนูไปเพ่งน่ละค่ะใช่มันนิ่งหมดเลยเจ้าคะใช่เราเพ่งมากไปเราเลิกนะอันนัเรารู้เริ่มต้นจากอิริยาบทนะเจ้าค่ะแล้วก็ดูอิริยบถนั่นแหละตัวเพ่งดีเลยอ๋อเหรอคะเพราะว่าอย่างหลวงพอปันจรบวชนะตะเวนเข้าไปดูสํานักปฏิบัติเยอะแยะเลยแต่ถ้าสํานักที่รู้อิริยาบทสี่เนี่ยเขาจริงไม่ใช่การรู้อิริยาบทแต่มันเป็นการเพ่งร่างกาย เพ่งอิริยาบถถ้าเพ่งอิริยาบถก็เกิด อ, อาการของการเพ่งเหมือนกันเรื่องบางคนรู้ลมหายใจเ <c oughs> พ่งลมหายใจรู้ท้องของยกเพ่งท้อ ง, ง, องรู้อิริยาบถสี่แล้วเพ่งมันทั้งกายถ้ามันรู้สึกตัวทั่วพร้อมในอาการถ้ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ใช่ใชรู้สึกเกิดทั่วพร้อมในจิตจะโปร่งโล่งเบาสบายมีความมัน ก, ก็สลับกันนะคะ่ะแต่ถ้าเนี่อย่างเงี้ยไม่ว่าเพ่งเพ่งกายทั้งกายรู้สึกตัวทั้งตัวเลย เราคิดวาการที่เรารู้สึกตัวทั้งตัวเนี่ยเรียกว่ารู้สึกตัวท่วพร้อมกวจริงไม่ใช่รู้สึกตัวท่วพร้อมจริงๆก็คือไม่เผลอนั่นเองไม่เผลอไปไม่ใจลอยไปในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เบีบเพ่งไว้เพราะงั้นการบีบเพ่งกายทั้งกายเราก็เป็นการทําสมถะโดยไม่รู้ตัวที่ว่าทํำวิปัสสนาอยู่มันก็เกิดอาการของการเพ่งเช่นเดียวกับการทำกรรมฐานอย่างอื่นนั่นเอง หลวพ่อเที่ยวตะเวนไปดูนะจริงๆแล้วพบ ว, ว่ากระทั่งสำนักที่บอกว่าทำแต่วิปัสสนาเนี่ยเข้าจริงผู้ปฏิบัติติดสมถะเกือบทั้งหมดเลยจริงๆแล้วมันไหลไปเองโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะไม่เดิน ใ, <ช>ใกล้กูบาอาจารย์นะค ะ, ะถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปนเนี่ยไม่เป็นไหลแล้วแต่ถ้ารู้ไม่ทันจะลงไปแช่แช่อยู่ที่กายทั้งกายนะก็แช่เหมือนกัน่แช่อยู่ที่ท้องก็แช่เหมือนกันตอนนี้ถ้าเราถอยออกมาดูมันเดินลรอคะถอยออกมาแต่ใจ ต, ต้องนุ่มนวล น, นะ แต่ต้องสบายๆรู้ร่างกายมันเดินไปอย่างสบายๆดูมันเดินดูมันเดินอย่างนี้ใช่มั้องเดินดูอย่างสบายไม่ใช่ว่าเดินเยมันจะเคลื่อนไหวอะไรรู้หมดเลยนะแต่ว่ารู้ด้วยการไปจ้องไว้ออช่วงนี้ไม่แล้วค่ะแล้วถึงหายเลยแล้วไม่หายหรอกแล้วถ้าเราดูมันหมดไปหมดไปหมดไปทีละทีละจังไม่ได้คิดนะคือคือวันวักวับวๆบว่าไปก็ได้ระบายมันเดียวคิตต้องตั้งมันอย่าให้จิตถล่มลงไปในการ ถ้าติดสลับลงไปที่กายเพื่ออะไรนะเรียกว่าอารมณ์นุกนิชฌานมีนการเที่งตัวอารมณ์เป็นสมสถาทั้งหมดเลยนะคิตต้องตั้งมั่นเป็นแค่คนดูอยู่ห่างๆดูอยู่ห่างๆดูอย่างสบายๆแล้วบางครั้งมันรู้อยู่ในอาการที่อาการของจิตที่มันก้าววับวับวับไปบางครั้งก็เห็นจิตมันเคลื่นอนก็างงานก็ก<ช>็ได้ น, ะะน่นแะดีตนนแต่ไม่ต้องฝึกให้นิ่ง มันไม่ได้มันไปเองนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวกนะารที่มันไปเองนั่นแหละมันสอนธรรมะเราแล้วว่ามันเป็นอนัตตาเราบังคับมันไม่ได้มีผู้ปฏิบัติเนะ่ยชอบตั้งเป้าหมายผิดคิดว่าจะบังคับกายบังคับใจให้ได้คิดว่าพระอราหันต์คือคนที่บังคับจิตใจตัวเองได้ตลอดเวลาควบคุมได้ตลอดเวลานั่นเข้าใจผิดถ้าอรหันต์คือคนที่รู้ความจริงนะว่าขันธ์ห้านี้เป็นทุกข์ล้วนๆแล้วไม่บังคับหรอกแต่สลัดคืนไม่ยึดถือต่างหาก ไม่ยึดถือกับการบังคับเนี่ยคนละเรื่องเลยสุดตรงเลยนั่นแหะไม่ได้ฝึกบังคับนะค่ะแล้วช่วงที่มันมึนมันปวดมากมากก็ให้ดูมันเฉยเฉยเลยเจ้าค่ะไม่ใช่ดูเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยก็ได้ะเป็นอุบายเปลี่ยนอารมณ์ไปก่อนหนูเปลี่ยนไม่ได้หนูต้องไปกระโดดแล่งสบายแล้วหัวก้มลงไปให้เลือดมันไหลลงนั่นแหละเปลี่ยนอารมณ์เ่ะแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไ้มเจ้าค่ะจะเป็นอุบายนะไม่ใช่หลักค่ะถ้าหลักก็คือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ให้ตามรู้ไป ในบางครั้งยังจําเป็นอยู่จวนตัวแล้วก็ใช้มอุบายช่วงไหนมีกําลังแล้วเราก็ใช้หลักของการปฏิบัติคือรู้กายรู้ใจทรงเป็นปัจจุบนันรู้อย่างที่เขาเป็นรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่<ช>ได้วันไหวกังวลใช่ไหมคะวันไหวได้แต่วันไหวแล้วรู้ทันว่าวันไหวเพราะว่าเมื่อเมื่อวานที่ของคุณคุณตุล น, นั่งอยู่ตรง น, นี้มันก็มาตุ๊บๆๆ๊อยู่ตรง น, นี้แล้วหนูก็ หลงแล้วรู้สึกไหมเราอินไปในการเล่าแล้วค่ะใจเราหลงรู้สึกไหมใจเรายังเกาะเกี่ยวอยู่กับความอยากจะพูดอยากให้หายค่ะอยากความอยากใจติดเกาะเกี่ยวให้รู้ทันใช่ไหมพอรู้ทันแล้วหลุดเลยเนี่ยอยู่ที่รู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันก็เกาะคัรไม่ว่าสภาวะใดๆที่หลวงพ่อพูดตะเคียนไม่ว่าสภาวะอะไรนะถ้าไม่รู้ทันก็เกาะอยู่ เพราะว่านั้นมันหโดดแต่เขาก็ตื่นเยอะเลยอือตืมเต้นแล้วมันก็ห่าเลยค่ะเดี๋ยวนี้เดียวก็เมื่อวานสองวันก่อนที่จะมาค่ะสองวันก่อนที่จะมาค่ะก็ลวงพ่อบอกว่ามันกาดจะมาเป็นอาจารย์แล้วหมพอกลับไปดูพอกลับไปดูมันก็เห็นว่ามันเป็นความคิดที่คิดว่าไอเนี่ยมันดีพอมันรู้มันเป็นความคิดมันก็เลยแบบถอดออกมาก็ มันเป็นปรุงแต่งขึ้นมาอีกดีแล้วพ อ, อนะใช้ได้แล้วเห็นไหมถ้าเรารู้ทันแล้วไม่ติดถ้ารู้ไม่ทันก็ติ ด, ตดทุกๆสภาวะสภาวะนั้นอาจจะเป็นความสุขก็ได้เป็นความว่างว่างก็ได้หรือเป็นความหมื่นหมื่นก็ได้อะไรก็ได้ถ้ารู้ไม่ทันติดทั้งนั้นแหละแล้วตอนแรกที่จะไปพยายามที่ไปห้ามมันไม่ให้อยากเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นผลจากความที่คิดคิดอาจะไปพยายามห้ามก็ห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตา ถ้ารู right source, ้ทันก็หลุดเลยใจอ่าเพกังวลสนใจนะข่าวเล่าข่าวลือพระโลหองอาหารอะไรนั้นไม่สนใจเรื่องพวกนั้นไม่ใช่เรื่องจริงหรอกก็เมื่อวานเราอยู่วัดก็วันแรกรู้สึกว่ามันว่างๆคือายว่ามันว่างมากครับก็เลยพยายามพยายามทําในรูปแบบพยายามดั้งรูนี่ ค็อตลอดวันยี่ดูยิงย่งยิ่งแย่ยิ่งแย่มันแบบเป็นอักแต่ก็ไม่หยุดมันเราพาวนานะให้เรารู้ทันการทํางานของขันการทํางานของกายของใจเราไม่ได้ไป ท, ทําซะเองครับเรานั่งดูกายดูใจเขาทํางานไม่ใช่ไปทํางานแข่งกับเขาจะดูเล่นๆแล้วมีแต่ความสุขนะครับเห็นายเห็นใจเป็นทุกข์แต่เราจะมีความสุขครับดีแล้ว เอเก่งใช้ได้นะมันมีแรงที่ไปทำอย่างเมื่อวานอะ่ะถ้าทําในระดับเนี้ยมันได้กํำลังทํามากกว่านี้ไม่ดีทําในรูปแบบมันจะทำํทำทําไปช่วงหนึ่งมันจะได้แรงจิตใจจะมีแรงสัตพ์่ีกับเปล่ามีเรื่องมีแรงแต่ถ้ามากไปกว่านี้จะแข็งไปดังนั้นเราก็ต้องรู้จังหวะว่าแค่ไหนพอดีเวลาทําในรูปแบบไป แล้วถ้าใจของเราแข็งทื้อขึ้นมาเราก็หยุดก่อนอย่างนี้ไม่ดีแล้วก็ทำในรูปแบบต่อไปไม่ใช่ไม่ทำ <c oughs> การทำในรูปแบบเป็นเครื่องอาศัยนะช่วงที่อินทรีย์ยังอ่อนต้องอาศัยแต่ถ้าเป็นถ้าอารหันต์แล้วก็ไม่ต้องตอนนี้กลับมาภาวนาได้เห็งรถได้รถรถหม่ลงเลยเสียงถนนดัง มนไงะก็กลับมาภาวนาได้ได้แล้วครับใช่รู้สึกว่าแบบพอเหมือนแบบพอตัดสินใจไปเลยว่าว่าจะทํายังไงกับมันแล้วก็ยอมรับมันปุ๊บคือไม่ว่าผลจะเกิดยังไงคือเรายอมรับได้มันมันมันมันก็จบไปเลยอย่างเงี้ยครับหน้าที่เราทําเหตุใช่ไหมส่วนผลเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราต้องสันโดษแล้วครอะเนี้ยยอมรับมันสันโดษของชาวพุทธเนี่ย ขยันทำเหตุนะทำเหตุที่ดีเต็มเหนียวเลยแต่ผลมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นเลยเพราะว่ามันสุดฝีมือตรงนี้แหละแล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อช่วงที่แบบมันแย่แย่มากๆใช่ไหมก่อนนี้ไม่ไม่เคยดูไม่ปกติไม่ได้ดูตัวเผยเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วแบบพอดีวันนั้นก็ขับรถไปอยู่ดีๆแบบเหมือนแบบมันมันสุดๆแล้วมันไม่ลื่นอยู่ดีๆมันก็แบบวุบมันหายไปแล้วอยู่ดีๆมันก็เห็นปุ๊บเหมือนมาสติมันก็เกิดอืพอ ออรู้สึกว่าเอ้ยมันมันง่ายขนาด น, นั้นเลยนะเมื่อย <c oughs> ที่หลวงพ่อสอนแล้วสอนแบบง่ายสุดๆแล้วหาอะไรง่ายวันนี้ไม่มีแล้ะเพราะว่าโดยปกติแบบอย่างยังก่อนคือดูแล้วมันค่อยเห็นข้างในใช่ไหมครับแต่ทําไมแบบว่าอยู่ดีๆไอ้ช่วงที่แบบแย่สุดๆที่ทำไมแค่แบบเผลอไปปุ๊บเห็นแค่นี้สติก็เกิดแล้ะแค่นั้นก็เกิดล้วถึงช่วงไหนนะถ้าเผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอก็ใช้ได้ละ หลวงพ่อถึงชับสอนให้รู้ว่าจิตหนีไปคิดเนี่ยจิตมันเผลอไปถ้ารู้ตรงนี้นะใจจะตื่นขึ้นมาถ้าไปรู้ตื่นบางทีมีปัญหาอีกเช่น <c oughs> เห็นความกโกรธไปดูความโกรธเนี่ย <c oughs> มันเกลียดอันเกียดความโกรธนะั <c oughs> ้นั้นดูเผลอนะัง่ายบันทีที่รู้ว่าเผลอขนาด น, นั้นไม่เผลอแล้วก็ไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาไม่เผลอด้วยภาวนาเพื่อให้เห็นวนะ่าเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็ไม่เผลอ เผลอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่เผอเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดระดับพัฒนาเพื่อให้เห็นตรงนี้รู้สึกว่าถ้าดูความเผลอแล้วเหมือนแบบมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าเหมือนแบบตัวรู้มันแบบมันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าถ้าปกติอย่างอย่างที่ดูอยู่มันจะให้ความรู้สึกลึกๆว่าตัวรู้มันเที่ยงแต่ว่าตัวอื่นมันไม่เที่ยงเออถ้าตราสใดที่ยังเห็นตัวรู้เที่ยงนะตรัสนั้นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ครูบาอาจารย์มีองค์โลบูลากูเชโก็ หลวงปู่ล่าสอนนะบอกผู้ใดเห็นว่าตัวผู้รู้เที่ยงนะเป็นมิจฉาทิฐินี้จะดูตัวผู้รู้ไม่เที่ยงนะดูเผลอพล้วเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดใชเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดไม่เที่ยงเพราะฉั้นการเจริญสตินะถ้าเราเดินในแนวทางของมิปัสนายานิกเนี่ยถ้าจะดูจิต ด, ดูเผลอไปเลยเผลอเรารู้เผลอเรารู้ไป ถ้าจะเดินในแนวของสมถายานิคมัจะมีตัวรู้มีตัวรู้ไปรู้กายรู้เวทนาหรืออะไรไปเสร็จ แ, แล้วจะเห็นว่าตัวรู้เที่ยงครับถึงจุดหนึ่งต้องมาทําลายตัวรู้นี้อย่างหลวงพ่อทําสมาธิมันจะเด็กมันจะมีตัวรู้มีตัวรู้เนี่ยมัเอาไปใช้เล่นโน้นเล่นนี้ได้นะแต่ว่าถ้าเราเกาะตัวรู้อยู่ไม่ยอมปล่อยเนี่ยมันข้ามฝั่งไม่ได้ เหมือนเร า, กาเกาะราวสะพานจะข้ามสะพานนะแต่มือกเกาะราวสะพานแน่นตลอดเวลานะข้ามสะพานไม่ได้ต้องปล่อยนั้นไปหาหลวงปู่ดูลทั้งสุดท้ายก่อนท่านมรณาภาพสามสิบหกวันท่านสั่งนะให้จําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตเพื่อถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเราเป็นสร้างผู้รู้ขึ้นมาเป็นเครื่องอาศัยก่อนอาศัยเรียนรู้สิ่งต่างๆไปจนพั่งแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาเรียนรู้ตัวรู้แล้วก็วางตัวรู้อีกที แต่ถ้าฝึกแบบเผลอแล้วรู้รเผลอแล้วรู้นี่ไม่มีตัวรู้หรอกสบายกว่ากันเยอะแต่ไม่ไม่มีของเล่นแต่ว่ามันมันก็ดูมาตั้งนานแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอาห้หนุ่มเสื้อเหลืองใจลอยละส่งกันบ้านแล้วก็ไม่ใช่เวลาใจลอยเนาะอาจจะโดนอีกก็ได้ว่าไงถ้าดูเขเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลยนะเ <ừ> ดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ แข็งหรือ ข, ขัดดูสิเราไม่ได้บังคับบังคับไม่ได้ดูก็เปลี่ยนไปถ้าภาวนาแล้วเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงแั้ยนยังใช้ได้นะถ้าภาวนาแล้วหลายวันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ ย, ยมีปัญหาละเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงเมื่อสักครู่ไม่มีขัดขัดแข็งแข็งแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับหมดแข็ ง, งยงัง ย, <c oughs> ยังไม่ดังใจเออดูไปโทสะมันเกิดดูไปเห็นโทสะยังบังคับอยู่นะเนี่ยเอารู้สึกไหมเข้าป้อมอยากกลัวข้าศึกอยากลัวกิเลสแล้วหนีเข้าป้อมนะ <c oughs> ทำสงครามอยู่แต่ในป้อมไม่ชนะ <c oughs> แล้วไง อยากให้หลวงพ่อพูดมากกว่าค่ะเหรอหลวงพ่อก็พูดมากอยู่แนละ้วทุกวันให้พูดมากกว่า น, นี้นะเลยเกี่ยงๆไปประคองใจขึมนะาเมื่อกี้ปล่อยออกไปแล้วปล่อยไปแล้วก็อยากพอคิดถึงการปฏิบัติก็รวบขึ้นมาประคองขึ้นมาปล่อยไหมแต่ปล่อยแล้วไม่ได้แกล้งทําเบลอๆนะบางคนนึกว่าการปล่อย้วต้องแกล้งทําเบลอ นี่ไม่ใช่ปล่อยนะเพราะว่ารู้สึกการจับนี่มันแข็งเยว่าปล่อยก็เลยทําเป็นเรืเ่มเรืเ่ไม่ใช่สึ่ว่าที่ผ่านมาเฉยๆอะคะ่ะ ม, มันเหมือนกับไม่ค่อยดูอะไรแต่ว่ามีบางครั้งที่เห็นตัวเองไหลไปคิดเหมือนกันอะคะ่ะไหลไปคิดแล้ว ร, รู้ว่าดีแล้วดูตัวนี้เรื่อยๆหลวงพ่อ สอนลูกศิษย์ไปแนละ้วะรุ่นหลังก็มีอยู่สองคนสอนให้เผลอแล้ว ร, รู้เผลอแล้ว ร, รู้คืออาจารย์สุรวัต์กับหมอ น, นัทวันนี้ใช้เวลาไม่นานเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้นั่นเราเผลอแล้วไปรู้เอาหลวกพ่เตียนเลสอนนะถ้ารู้ว่าจิตชิดในต้นฐานงการปฏิบัติจิตคิดก็คือจิตมันเผลอไปนะเผลอไปคิดนั้นถ้าจิตไหลไปคิดปับรู้สึกไหลไปคิดปั๊บรู้สึกตรงนี้สั้นนิดเดียวเลย ก็ไม่เสียเวลาสร้างพบสร้างชาตินานถ้ามันไหลไปแล้วรู้ไม่ทันนะมันก็สร้างพบสร้างชาตินานเสียเวลาสังสารวัตยื ด, ดยาวถ้าไหลไปแล้วรู้สึกไหลไปแล้ ว, ล ว, ว, วแบบรูส้แบบรสึกเนี่ยพบสั้นนิดเดียวช่วงขณะแวบรู้สึกแวบรู้สึกเนี่ยสังสารวัตรสั้นแว บ, บเดียวนะห้าหนาทีเนี่ยหมดไปหมื่นชาติละเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่องเจอสภาวะหนึ่งกับหลวงพอ่อ มีมีหนังสือธรรมะกับโบชัวสวยๆองก็นั่งลงไปแล้วก็จะหยิบใจก็คิดขึ้นมาว่าอยากดูแต่ทีนี้กําลังขัางใจอยู่ว่าจะอยากดูโบชัวสวยๆหรืออยากดูธรรมะก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะหยิบหนังสือธรรมะเพะอยากดีปรากฏว่ากําลังคิดอยู่มือไปหยิบปุ๊บแต่ไปหยิบโบชัวขึ้นมานะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเรายังไม่ได้ตัดสินใจเลยแต่ว่าทําไมไปหยิบขึ้นมาได้ยังไง เราตัดสินใจกับจิตตัดสินใจเนี่ยควรละอันกันเว<ะ>ลาที่เราจะตัดสินใจอะไรเราใช้เหตุใช้ผลนะะเหตุนาผลคิดเอาแต่จิตเนี่ยมันตัดสินใจของมันได้เองไม่มีจิตอยู่ตัวอนหนึ่งทําหน้าที่ตัดสินใจนะว่าจะเป็นกูส่วนเรือกูส่วนนั่นชื่อวดทัพนจิตหรือมโนทวาราวัชนะจิตชื่อยาวช่างมันหรอนะชื่อเปนยาวทั้งเกือบวาแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือ มันทํางานของมันได้เองแล้วมันเป็นอิสระจากเราด้วยแต่เราไม่เป็นอิสระจากมันทีนี้ถ้าจิตตัดสินใจแล้วจิตเป็นคนสั่งร่างกาย<ะ>จิตเป็นคนสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวหยิบมาอ้าตาดูใจก็ไปคิด<ะ>แล้วทํางานเขาได้เองหลังจากนั้นสองสมวันช่วงขนาดหนึ่งก็รู้สึกว่า เออรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเขาเดินของเขาเองเขาทาหน้าที่ เ, ออเหมือนกับหุญญ่นยนต์ที่โปรแกรมไว้แล้วเราก็ดูก็ไปเฉยเฉยแต่หลังจากนั้นก็กลับมาหลงแล้วก็เบลอเบไปหลวงพ่อเขีเนยนไม่นานแล้วนะเรื่องแด่เธอผู้มาใหม่เราจะเห็นร่างกายเหมือนหุญญ่นยนต์มันทํางานได้เอง<า>ปิดไปอ่านเร่อนะั้นแต่อ้องเกิดบางช่วงนะแต่อาจจะสองสาวันก็จะรู้น้อยลงหลงแล้วก็รู้ค่ะหลวลงพ่อหลงแล้วรู้ก็เอากันแล้วนะ แล้วก็รู้ไปไช้ได้บางช่วงมันก็มารู้กายเห็นกายไม่ใช่เราบางช่วงมันก็ไปรู้เวทนาบางช่วงก็ไปรู้จิตเราเลือกไม่ได้ว่าจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยในเบื้องต้นนะฝึกรู้อันใดหนึ่งเพื่อให้จิตจําสภาวะได้แล้วเกิดสติแต่เมื่อเกิดสติแล้วเลือกไม่ได้แล้วว่ามันจะไปรู้อะไรมันเลือกของมันเองมันจะไปรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไปเลือกของมันเอง มีจิตดวหนึ่งเป็นคนเลือกชื่อว่าปัญจทวาราวัชนจิตไ ม, ม่ชื่อเยกนะก็คือจะถามหลวงพ่อว่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ้องภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะรู้สึกไหมใจเราโปร่งขึ้นเบาขึ้นมันสบายมีความสุขอยู่ในตัวเองนะความสุขอันนี้ยไม่ยิงอาศัยอะไรภายนอกเป็นความสุขที่เรียกว่าไม่มีอามิตรคือไม่ต้องมีเหยื่อล่อ ความสุขจากการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆเพราะั้นการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยเรามีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วยการที่มีสติรู้กายรู้ใจนะทำให้สมาธิสัมมาสมาธิเพิ่มด้วยทำให้ปัญญาเกิดทำให้วิมุตติเกิดด้วยเพราะั้นการที่มีสติรู้กายรู้ใจเนืองๆเนี่ยวิเศษที่สุดเลยเราจะได้ลิ้มรสของความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มีสติก็มีความสุขรู้สึกไม ใจเราก็ตั้งมั่นไม่หลงเคลื่อนเคลมไปในโลกภายนอกเราก็มีความสุขใจเราเห็นความจริงร่างกายมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอย่างนี้จิตใจก็ทํางานได้เองมีปัญญาเห็นมันเป็นไตรลักษณ์เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ต่อไปใจกายใจจะเป็นยังไงนั้นจิตใจเรามีความสุขอยู่อย่างนั้นทั้งๆที่ร่างกายไม่สบายจิตใจก็ยังมีความสุขอยู่ทั้งๆกิเลสมาใจก็ยังมีความสุขอยู่กิเลสอยู่ส่วนกิเลสจิตอยู่ส่วนจิตไม่เกี่ยวกันเลย เราค่อฝึกไปนะเราจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นยิ่งรู้กายรู้ใจที่เรียกว่ารู้ทุกข์มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นฝึกนะฝึกแล้วมีความสุขเค่มีผู้เท่ากันหนึ่งมาตอบว่ า, าหลวงพ่อสอนอะไรมีแต่ความสุขพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์ต่างหากนั่นไปตีคําว่าทุกข์ผิดนะทุกข์ไม่ได้ปแปลว่าความทุกข์ทุกข์ในนิยามของศาสนาพุทธเนี่ยคืออะไรทุกข์ธาตุเนี่ยคือสันห้าคือกายกใจ ถ้าเรารู้กายรู้ใจโซ่ความเป็นจริงอยู่เรียกว่ารู้ทุกข์อยู่ถ้ารู้ทุกข์แล้วเกิดอะไรรู้ทุกข์แล้วมีความสุขนะเนื้อท่านเจ้าคุณประยุทธ์ท่านเขียนไว้ซึ่งใครส่งหนังสือมาเรื่องมาอ่านท่านพูดเรื่องนี้ไว้นะว่ายิ่งรู้ทุกข์ยิ่งมีความสุขเป็นปฏิภาคกลับกันคนทั้งโลกนี้เกลียดทุกข์ยิ่งหนีทุกข์ยิ่งมีความทุกข์แต่ถ้ารู้ทุกข์แล้วมีความสุขแตกนะ <c oughs> เนี่ธรรมะของพระพนะุทธเจ้าและอัศจรรย์ แล้วว่าไปค่ะอหนูยังติดค้างอยู่รอบนอกไหมคะหลวงพ่อติดติดติดความเฉยเฉยความนิ่งนิ่งอย่ยังติดอยู่ตอนนี้นิ่งอยู่รู้สึกไหมไม่เห็นนะคะหลวงพ่ อ, อถ้าเห็นก็ไม่ติดสิ <c oughs> ที่หลวงพ่อบอกกันเอาแค่ว่าหลวงพ่อบอกแล้วแล้วค่อยๆไปดูเอาติดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วโ อ, อ้ไม่ใช่นะคะสองอาทิตย์ที่แล้วหลวงพ่อก็เราไปตรึงความรู้สึกของเราไว้ คือมันเกิดจากความพยายามจะปฏิบัติเข้าใจยังหนูว่าหนูมีตรงนั้นนะคะออนั่นแหละโดจริงไปหลวงพ่อพูดอยู่ทุกวันนะความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อยู่ตรงนั้น <c oughs> พูดจริงๆนะไม่ได้แกล้งว่าเลยเพราะว่าที่เราเรียกว่าพยายามในะความจริงไม่ใช่วิริยะแต่เป็นโลภะเป็นความโลภของเราเถอะตัววิริยะจริงๆนะนะมันเกิดจากเรามีสติทันทีที่มีสติวิริยะจะเกิดขึ้น วิริยะเนี่ยคืออะไรเพียรละอกักข u ศนที่มีอยู่ปิดกั้นอกักขศลใหม่ไม่ให้เกิดถ้าอยนั้นพอเรามีสติปุ๊บอกักขศลที่มีอยู่ดับทันทีอกักขศลใหม่เกิดไม่ได้อย่างนี้เรียกว่ามีวิริยะอยู่ส่วนที่เราบอกว่าเรามีความเพียรพยายามทำโน้นทเนี่โลภนะไม่ใช่วิรยิยะลักษณะอาการของไอที่มันค้างค้างนี่คือมันมันจะบอกว่า คเดี๋ยวหนูลองพยายามอธิบายว่าหนูเห็นมันหรือเปล่านะคะคือว่ามันมันออกจะทื่อๆนิดนึงใช่ไหมคะทื่อๆจิตที่ทื่อๆเห็นไหมจิตไม่คล่องแคล่วไม่มีป่าคุนตาไม่คล่องแคล่วเป็นอคุสนจิตเราลงมือปฏิบัตินะแทนที่จะได้บุญได้กุศลกลับไปสร้างอคุศลขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องฉลาดต้องรู้ทันว่าอ้าวี่จิตทื่อๆแล้วนี่อคุศลเกิดแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากโลภอยากปฏิบัติ เขา อ, อยากปฏิบัติก็ไปกดข่มตัวเองนะลงมือปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรเกินกว่าการบังคับกายบังคับใจทันทีที่ลงมือปฏิบัตินะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัตตะกิรมาสานุโยคต์เองบังคับกายบังคับใจเรบังคับแล้วก็ทื่อๆทื่อๆแล้วหาความสุขไม่ได้แต่บางคนก็พยายามทนทื่อๆไปด้วยนะปลอบใจตัวเองเนี่ยเราจะร่วงทุกขด้วยความเพียรแต่มันไม่ใช่ความเพียรอนั้นแต่ความโลภโลภอยากดีร uh ู้สึกไหมมันนิ่ง รู้สึกค่ะแต่มันไม่หลุดจริงๆอยากหลุดไหมแต่เดิมอะทําตรงนี้ขึ้นมาเขาคิดว่านี่เรียกว่าปฏิบัติเนี่ยตอนนี้มาฟังหลวงพ่อพูดแล้วเอ้ยอย่างนี้ไม่ดีชักไม่ชอบอีกแล้วแต่เดิมชอบนะถึงไปทํามันขึ้นมาตอนนี้ไม่ชอบนะก็รู้ว่ามไม่ชอบนะเดี๋ยวมันหลุดเองที่หลวงพ่อบอกให้แบบเปลี่ยน <c oughs> อิริยาบถ ใ, ใช่ใช่ <c oughs> อันนั้นที่บอกให้เปลี่ยนไปเปล่ยมาเพื่อให้เลิกปฏิบัตินั่นแหละให้เลิกปฏิบัติ <c oughs> ทันทีที่เราคิดเรื่องปฏิบัติเราก็บังคั บ, บตัวเอง ในอัฏฐตาสอนไว้นะคิดเรื่องปฏิบัตินะสิ่งที่ทำคืออัตตากิลมัสฐานุโยบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจกายทื่อๆใจทื่อๆอ่ะแปดโมงเดี๋ยวค่อยต่อนะนิมนต์ครับ